การปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐานสี่ตอนนี้กำลังเป็นที่แพร่หลายแต่เร า, าจำนักที่ฝึกสติปัฏฐานสี่ก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างมีกันึไปวถ้าสุ่มโดยตานี เมื่อวันวิสาขบาูชาก็มีการแจกหนังสือของวัดป่าสุขโตแล้วก็บอกว่ามไม่น่าเชื่อไปที่ไหนที่ไหนก็มีการแลกเปลี่ยนการฝึกสติก็เป็นการพูดคุยสนทนานแล้วเกิดการจังสรร เิงเดียวกันรูปแบบปฏิบัติใดๆก็ตามเมื่อเข้าถึงก็ได้รับผลได้รับอันนี้สองเหมือนกันเหมือนอาชีพทุกๆอาชีพมีเสฐีอยู่ในโลกทุกๆอาชีพมีเสฐีนนในอาชีพนั้นๆแต่ว่าเราทำเป็นหรือเปล่า การดับไฟถ้ดับเป็นไฟก็ดับถดับไม่เป็นไฟก็ยิงลูกโขม mm hmm. ขับรถ mm hmm. ถ้าขับรถเป็นก็ถึงจุดหมายปลายทาง mm hmm. ถ้าขับไม่เป็นนนเหนื่อย mm hmm. คนนั่งก็เหนื่อยคนขับก็เหนื่อย mm hmm. เพราะาถานนไม่ตรงเราถึงจุดหมายปลายทาง mm hmm. เลยียดซ้ายเลี้ยวข ว, วามีหลุมมีบอ่อ มีทางแยกมีไฟแดงเบรกไม่เป็นครคนนั่งหัวทิ่มเหนื่อยหักพมอะไรไม่เป็นเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหัวโคกมีการกระแทกมีแรงกระแทกออกตัวไม่เป็นครหลังกระแทกเบาะ วาบ้านไม่เป็นบ้านก็นเลอะถูวบ้านไม่เป็นก็สกปรกกรองน้าไม่เป็นยิ่งกรองยิ่งเลอะอันนี้เราก็ต้องศึกษาทดลองฝึกหัดจกนกระทั่มีความชํานาญขึ้นมาปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นแหละมาเราเฝ้าดูคําว่าเฝ้าเป็นจานวนนะ เรไม่ใช่วิชายามคำว่าเฝ้าเนี่ยเป็นสำนวนคือเราเคยไปเฝ้าซับเฝ้าลูกเฝ้าหลานเฝ้าคนไข้คนป่วยอย่างเงี้ยเปรียบเทียบให้แบบนี้มันหันกลับมารับรู้ความรู้สึกตัวแล้วก็เฝ้าอยู่นี่แหละคำว่าเฝ้าเนี่ยหมายถึงว่าสภาวของผู้ดูที่เขาทำหน้าที่ ดูกายดูใจดูรูปดูนามมีความรู้สึกตัวสัมผัสสัมผัสสัมผัสนหมายถึงตรงนี้รวมมากระทบสัมผัสเราเอารู้สึกตัวเราเมี่อรมมันจรไปจอมาความโลภความกดความหลงเรารู้สึกตัวเราดูอยู่ตรงนี้นประตูใจเราจะเห็นความจริงนะ อาการต่างๆที่เราเคยหลงเพล่ไปมันคนละตัวคนละส่วนเป็นคนละเรื่องกันเลยแต่ว่ามันเป็นตัวธรรมชาติกุศลธรรมอกุศลธรรมที่อยู่กับเราแต่เราไม่รู้จักมันเหมือนขนตาขนตาอยู่ใกล้ตาชิดตาที่สุดนะแต่ว่าเราไม่เห็นขนตา เหมือนก็เป็นหญ้าปากคอกนะหญ้าก็งามดีอยู่ที่ก็หัวก็เป็ดนะแต่พรก็พอปล่อยแป๊บออกจากลานะวิ่งนะทวงควางไกลนะนะก็หลงละเลงไปแบบนั้นนะแต่ไม่เห็นว่าหญ้ามันอยู่ปากคอกมันมีอยู่นะงามด้วยเขียวต้องการอิสระที่ไม่ใช่แค่อาหารนะการกิน ต้องการออกกำลังกายต้องการานะิยะอยู่โลกกว้างอิสรภาพนะเหมือนจิตใจของเราเราก็เป็นอย่างนั้นควนะามรู้สึกตัวอยู่กับตัวแต่ว่ามันไม่เห็นเป็นความสําคัญนะภัยร้ายในตัวก็คือตัวความคิดซึ่งอยู่กับตัวมันก็ไม่เห็นตัวกายเป็นพิษเป็นภยัยความโกรธอยู่กับตัวไม่เห็นความโกรธอยู่ที่ความคิดไม่เห็น ความทุกข์อยู่ที่ความคิดไม่เห็นอย่างเงี้ยมันไปแก้ที่คนอื่นนะครัว่าเราทําไม่ทำไม่ทำไมทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทำอย่างน้นบางทีการปรุงในโลกใบนี้มันปรุงเป็นหน้าที่การงานปรุงดีปรุงไม่ดีไม่ดีก็คือดีดีก็คือไม่ดีมันก็สิ่งเดียวกัน สัมองให้ออกนะจะเห็นไม่สิ่งเดียวกันเลยเป็นแค่สภาวะธรรมเป็นแค่อาการต่างๆทิมปากกอออกมาเขาพูดดีมันก็เป็นแค่อาการเกิดที่ตัวเขาเขาพูดไม่ดีากาเ็เป็นแค่อาการเกิดที่ตัวเขาเป็นแค่อาการกิริยาต่างๆเราก็รู้เราก็ดูอันนี้แหละมันจะไม่เป็นเจ้าปากคอกนะมันแก้ที่ตัวเราเรียบร้อยแล้วเขาทุกข์กระทุ้นเข้าไป เขสวยวบากกรรมก็เสวยวบากกรรมเขาไปกรรมใครก็กรรมใค ร, รแก้กันเอาเองอันนี้มันช่วยกันไม่ได้ตัวปัญญาจริงๆแล้วการทำจะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกข์จะพังปรากฏดชัดแก่เราได้ทํำยังไงก็ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่นี่แหละการเคลื่อนการไหว น, น, นี่เป็นแนวหลวงปู่เทียนจิตเทวโพต้องอ้าง ถ้าไงั้นดียมันจะสูนพันไปนเราก็ต้องเดินตามรอยแล้วก็ทายสกเมื่อรู้แล้วต้องบอกอย่างนี้แหละหลวงปู่เทียนท่านชีกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวไว้เป็นหนึ่งในห้าวิธีที่สามารถเผยแผ่แผได้ทั่วโลกการพลิกมือตั้งขึ้นยกมือขึ้นไปรู้สึกตัวมีสติรละลึลกรู้ความรู้สึกตัวเคลื่อนก็รู้สึกตัว หยุดก็รู้สึกตัวเเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่ว่านิ่งเฉยๆเราก็รู้สึกตัวเดี๋ยวได้เรื่มประเภทนี้มันจะหลงไปในความสงบกลายเป็นความขี้เกียจขี้กานไปนเลยนะประเภทนี้ส <นะ S 2> งบสบายเป็นสมาธิหัวต่อ <นะ S 2> ก็จะได้ประโยชน์แค่ว่า คนไม่เห็นล่ะอาจจะเอาเชือกมาผูกหรือว่าเป็นเรื่องของนกยังได้โอกาสได้ประโยชน์บินมาเกาะเล่นสักพักแล้วก็ไปเขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อคนไม่เห็นแล้วโอ้สงบดีเนาะแต่ว่าปัญญามไม่เกิดคพอมไปตกหลุม ตกล่องของความสบายความสะดวกความขี้เกียจความขี้าาการเฉยไปเลยนะแล้วเดี๋ยวก็เป็นความโง่งง่วงนั่งแล้วก็งัวหัวทิ่มลงไปแล้วพอรู้สกกเออยืดเตือตรงไม่เตงพนังอีกสักพักก็วูบไปเสะซ้ายเสะขวาบางทีก็ตัวเล็กตัวใหญ่พองเบาลอยอะไรแล้วะนะมันเป็นผลปยาการเคียงของสมถะกรรมฐาน เราก็ไปเอาอย่างนั้นแล้วลืมหูลืมตา <Yeah. S 1> นั่งยกมือสิบสี่ชิ้งว่ะเรา <Yeah. S 1> ก็ฝึกตรงไปตรงมาการเคลื่อนแต่ละส น, นามเมื่อสอนจิตน <Yeah. S 1> สอนจิตของเรามันชอบเผลอไปในความคิดปรุงแต่งแล้วกลับมาทันทีน <Yeah. S 1> พอกลับมาเสร็จปุ๊บมันก็ได้ผลได้่นิสงได้หลักของชีวิตเรา เดี๋ยวขะเดียวะเดี pasa, ๋ยวขะเดี่ยวเป็นปัจจุบันเชื่อมโยงต่อเนื่องสัมผัสสัมพันธ์มันก็ได้ประโยชน์เหมือนกับไม้ปูพื้นเราได้ประโยชน์ว่ามีหลายชิ้นกระเบื้องปูพื้นข้างล่างเราได้ประโยชน์เพราะว่ามันมีหลายชิ้นอย่างงี้ลมหายใจของเราที่ได้ประโยชน์เป็นตัวชีวิตว่าเราหายใจตลอดตั้งแต่เกิดจนรั่งเดียวนี อประโยชน์จากการที่หายใจก็หายใจออกต่อเนื่องเชื่อมโยงนะเฉินใดก็ดีความรู้สึกตัวเป็นอย่างนั้นเนะี่ยขณะหนึ่งไม่ทุกขณะหนึ่งไม่ทุกขณะหนึ่งไม่ทุกขณะหนึ่งผลเกิดเป็นความปกติปกติปกติกตนันก็ปกติได้ทั้งวันเพราะเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันหลงไปก็ไม่เป็นไรหลงไปกลับมานันก็ยิ่งเป็นตัวปัญญาปกติปุถุชนคนทั่วไปก็หลงทั้งวัน จะมารู้สึกตวัวเองก็คืออบางทีเย็ยนๆแล้วกลับบ้านจะนอนแล้วอาวันนี้ทั้งวันละเเผอไปแล้วไม่น่าพูดเลยเออเสียดายไม่น่าพูดนะเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้นทะํางานใหม่จะขอโทษนะมันก็ใครควรคิดแบบนั้นนะอลุงนี้ไม่ทําสุขดีนะนะมันก็น่าเสียดายโอกาสวันทั้งวันวมีสิทธิ์เรียนรู้นะ มัน ต, ตื่นยันหลับทุกๆขณะถ้าเราฝึกหัดดีๆจิตก็จะเกิดความว่องไวแบบนั้นนะนะเกิดนิสัยขึ้นมานะนิสัยที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆนะเผลอไปปั๊บมันก็รู้แล้วว่าเผลอนะกายเราหายไปปนะกอกายเราหายไปปั๊บมันก็ไม่ใชนะ่การเห็นกายในกายไม่ใช่สตัว ต, วตวนบุคคลเราเขาเมื่อกายไปว่าเราไม่เห็นกายนะไม่มีสติไม่มีสมัมปชัญญะ มันก็ไม่เห็นตัวเองก็กลายเป็นผีดิบทันทีกายอยู่ทางใจอยู่ทางก็พัดพลากกันอาอันนี้ก็คืออันตรายนอันตรายตัวเราไม่อยู่ตัวเราไม่มีอุบัติเหตุก็เกิดได้ภัยต่างๆก็เกิดได้ขนาดนั้นวินาทีนั้นอาจจะเกิดการนะวิบัตนะิตกไปในไคว่เสื่อมทันทีเนะมืเ่อเผลอ บางทีก็อาจจะเกิดความโลภได้บางคนไม่รู้สึกตัวปั๊บนะเกิดบ่อยๆเหตุการณ์แบบนี้พระก็เกิดเหมือนกันพอเราไม่รู้สึกตัวปั๊บมีคนก็มาพูดนะว่าเนี่ยจะคืนภนะาษีให้นะนให้บอกหมายเลขบัญชีมาทั้งๆก็ไม่กี่่านวนะแต่ก็อยากได้ จแล้วก็โทรไปบอกหมายเลขบัญชีเขตายเถกเงินหายไปเลยทางบัญชีเลยแกงลูกหมูเอาไปแกงคนจีนชาวต่างประเทศตอนนี้ซึ่งบุกเลืเกินอาเซียนใกล้เปิดแล้วคนต่างประเทศก็มาหากินกันโด้วพรามิจฉาชีพเราก็หลงเผลอได้ง่ายบางทกีก็บอกว่าเนี่ยทองของคุณหรือเปล่า เราเดินไปตลาดนะมีคนนังเก็บทองได้เนี่ยของคุณใช่ไหม เ, เอ้ไม่ใช่นะเอ๊ถ้างั้นเรามาแบ่งกันละครึ่งดีกว่าบางทีเก็บทองได้อีกคนก็บอกอเราก็เห็นเหมือนกันเห็นมาพร้อมกันเสร็จแล้วก็ตกลงกันไปได้ขอ ง, ของใคร หลายกรณีท้ายสุดเรามีทองเราเอาทองให้เขาไอ้เจนนั้นมันใจกว่าเอาเ้นนี้ไปแล้วกันสองหลึงอันนั้นมันบาทหนึ่งแบ่งกนละครึง่งท้ายสุดก็ได้ของปลอมไปอย่างเงี้ยความโลภทั้งนั้นเลยถ้าไม่โลภไม่เสียทรัพย์นะพระบางทีก็จะบอกว่าเออเนี่ยจะมาสร้างโบสถ์ให้วัดคุณต้องการพัฒนาอะไรบา้างขาเหลืออะไรบ้างนะเรามาจากกรมศาสนาอย่างเงี้ย จะมาถึงแป๊บก็ออพยายามตะล่มตะล่มตะล่มในพอดีเน่ทางกองศาสนานะให้มาดูสำรวจดูดถ้าหากว่าจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยจะโอนเงินมาให้เหลยยี่สิบล้าน30สิล้านนะให้คอยนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะโอนเงินมาให้แล้วตอนนี้ขอค่าน้ำร้อนน้ำชาหน่อยค่าเดินทางค่าดาเนินการนิดนึง แต่จ็จแล้ ว, วัดมีเงินอยู่ล้านสอนล้านมีห้าแสนก็โอนให้เขาไปบอกเลยบัญชีก็ไปถอนเอาเงินมปกินหมดแล้วเี้ยอันนี้เป็นความโลภเท่านั้นเลยนะพอเรามีความรู้สึกตัวเราก็เห็นจิตปกติไม่ใช่ก็ลตัวกันความโลภเกิดที่จิตคิดเนะี้ยความโกรธเกิดที่จิตคิดทนะั้งหมดแหละพอคิดปรุงแต่งแล้วก็ได้เรื่องเพราะนั้นพอเรมีความรู้สึกตัวนะการเคลื่อนการไห ว, วก็เท่าสัมผัสอย่างเงี้ยตรงเนี้ย มันเป็นคําตอบอยู่แล้วจิตมันปกติพึ่งได้เลยนะเป็นความสุขเป็นอะไรหลายๆอย่างใ น, ในความรู้สึกตัวถ้าทำเป็นนะนะมันเป็นความสุขแสนสารจริงๆเมื่อก่อนมันเคยสุขเผาสุขจนะีมันตื่นแต่ควาเป็นการตื่นตนกตกใจนะมันก็ได้ดูหนังผีอย่างเงี้ยพอได้คลีออกมานะได้อกสั่นขวนนัญแฝงเป็นมิจฉาสมาธิกับความกลัว พอออกมาเนอะมีความสุขอย่างเงี้ยมันลุ้นมันปลกมันเล่ามันยัวมันยุเนีเราก็ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่หวาดที่กลัวกับภาพที่มากระทบอย่างเงี้ยกับเสียงที่มากระทบกับความเย็นอากาศที่มากระทบนะเขาว่ากันว่าผีเนี่ยเวลามันจะหลอกเนี่ยมันจะรวบรวมเอาพลังงานความร้อนอยู่รอบตัวแล้วก็กลายเป็นความเย็นดันที บริเวณที่มีผีจะเย็นจเยือกเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะจนแล้วพลังงานความร้อนมันรวบรวมเป็นพลังงานกันเนี่อจะสร้างภาพขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นลงหนังนี่เวลาจะฉายหนังผีเปิดแอร์เย็นที่สุดเลยนะอันดับแรกให้เราสัมผัสให้เย็นเนี่ก่อนนะต่อมาก็คือนะภาพสารภาพนะมันทําให้เราสะดุ้งหวัว่นาหวาสามมิติมัง่งสองมิติบ้างสารพัด ไปดูแล้วก็โอ้นะรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยมีค่าเหลือเกินชีวิตเนี่ยมีประสบการณ์ที่มันโอ้ไม่เคยเจอมาก่อนนะเด็กวัยรุ่นก็นยอมเสียงเงินกันหนีเรียนไปดูหนังนี้เป็นตน้นหะลงทางรูกทางรถทา ง, ทา ง, ทางกินทางเสียงกันนะพอเรามีความรู้สึกตัวเราเหน็นโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะก็เราเรื่องกันนะมันเป็นเรื่องของการที่เรามีความเป็นปกติสมดุลดีชีวิตนะ กาก็ปกติใจก็ปกตินะการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือการเดินจงกรมให้เกิดความเป็นปกตินะคิดแล้วโกรธมีผลต่อตับคิดแล้วกลัวมีผลต่อไตคิดแล้วดีใจมีผลต่อหัวใจคิดแล้วกังวลใจมีผลต่อมามกังวลใจมากๆมามเสียหมดวันมีความวิตกมมีควากังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้น ตื่นขึ้นมาแลกังวลพอกินข้าวหรือว่าเช้าสายบาย่ายค่ำจนจะก่อนนอนก็ยังกังวลระวังตับพังไรเนี่ยไม่มีผลต่อตับ ต, ต, ต่อมามไม่มันโยงหากันมามพล้องถ้าหากว่าเราคิดมากๆโลกสมองโลคประสาทโลคประสาทเสียหมดเงี้ยเพราะฉะนั้นความเป็นปกตินี่ดีที่สุดนร่างกายหน้าตาของเราน ยิ้มมีกล้ามเนื้อสองมัด ต, ต้องรับผิดชอบหน้าของเราเยเวลามันเคลียดเกลี้ยงมาเนี่ยมันก็สามสี่สิบมัดด้วยนะมันมีผลต้อให้แก่ไวเงี้ยปกติหน้าตาก็ผ่อนคลายนะตีนกลา ม, มก็มันก็มีรอยแล้วนะเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะแก่ช้าแก่ช้าก็ปฏิบัธรรมนหน้าตาปิ้งเด้งย่างตื่นเช้าเช้ายามสามอย่างเงี้ยนะ พลังงานมาที่ปอดแล้วคนตื่นเช้าๆทุกวันนี้หน้าเด้งนะหน้าใสจะแหละนะอีกอั้นก็คือเราตื่นมายามสามเนี่ยเราก็เชื่อกันโดยศรัทธาและความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง เ, เจ้าชายสุทามีจริงเราเชื่อแบบนั้นสองพันกว่าปีมัรู้ลรามจริงไม่จริ ง, รงแต่เราเชื่อแบบนั้นนะเราก็ตื่นมายามสามเนี่ยพระเจ้าเองเนี่ยบรรลนะุอาสวัคยญาณก็คือญาณที่สาม ยามที่สามนะบนรรลุอาสวกา ย, ายานเป็นเรื่องของอาสวกายานที่เห็ น, นกามมาสวะเห็นภวาสวะก็คือภพชาตินะนะเศรษจๆๆ์เศรษฐ์เขมันนะเห็นอวิชชาสวะคือความไม่รู้เไม่รู้โอ้เราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดนพอมันได้คาต่อทัรงโนโ อ, อุทานมาเลยโอ้โถ่โ จิตมันจะรู้ตื่นเบิกบานนะหลังจากที่มันเห็นตัวความคิดเนี่เห็นแล้วตื่นเห็นแล้วตื่นตื่นทุกข์อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ตื่นสนกตกใจมไม่ใช่ตื่นบนกิเลสนะสกสมอยากต่างๆแล้วก็ตื่นตัวนะการกินเกียรติตื่นตัวมันไม่ใช่นะแต่นี้มันออกมามันเป็นปกติเหนือการทั้งปวงนะเหนือเกียรติคุณเกียรติยศทั้งปวงนะเหนือการบริโภคทั้งปวงทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอยย่างี้ มันจะรู้จักประมาณแต่พอดีอย่างเงี้ยนะไม่ได้ขุนขวายแต่ความทำหน้าทีนะ่เรียงดูชีวิตของเราให้มันอยู่รอดปลอดภัยนะท่านก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเรายังมีคําสอนคําสวดต่างๆอย่างเช้านี้เรามาสวดมนต์กันเราก็สวดซ้ํากันมาเย็นวานนะซสำมาสติสนะ้ำมาอะไรๆเป็นความเพียรองค์แห่ความเพียรสัมนะมาวาจาโม มันเป็นเรื่องของคำสวดนะที่เราเชื่อมีอยู่จริงแล้วก็เดินตามเลยมรรคมีองดอรายาิยมรรคมีอง8ปดนะที่ปาจาตะวะมามติทนะีแปดตัวนะี่มันก็เป็นสิ่งที่รวมลงอยู่แล้วในความรู้สึกตัวเช่นสัมมาทิฐิก็คือเราเห็นกายตามความเป็นจริงขณนะที่นั่งเดินยืนนอนเคลื่อนไหวแต่ละขณนะสัมมาคือไม่ใช่สัมไปสัมมาคือมาไง นยมเนาะถ้าสัมไปก็คือไปเลยรู้นอกตัวนี้มันมาภาษาก็ตรงๆภาษาไทยกับภาษาบาลีมันเหมือนกันนั่นแหละทีนี้พอมันมาแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันมาแล้วมันก็ไม่ได้ไปมันก็รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละมันมีสติก็มีสัมผัสเยญะรู้ตรงๆรงรู้ตรงจะจะทมนั่งเมื่อยก็รู้ว่านั่งเมื่อยมันรู้นะไมนได้อยู่ เรารู้เห็นเขาเดินไปเดินมาไงเรารู้แล้วเขากโกรธเราเราก็รู้แล้วเราไม่ยจะไปอยู่กับเขาเนี่ยถ้าเกิดเราไปอยู่กับเขาเรากโกรธเหมือนเ้านั่นแหละติดเชื้อกั น, นเขาหัวรอดเราหัวรอดด้วยเขาร้องไห้เราก็ร้องไห้เดี๋ยวมาดูหนังดูละครโดยลรขาดความรู้สึกตัวขาดสตมิมันจะอินเข้าไปแบบนั้นนะนนวันทั้วันเราก็จะหลงโลกเหล่า น, นี้โลกทับถมเราเราก็จมทุกข์สุขทุกข์สุขทุกขทุกข์อยู่กับโลกใบเนี่ย กันนี้เรามารู้สึกตัวก็อยู่เหนือทันทีนะจึตถามว่าเคลื่อนไม้เคลื่อน ม, อนมือเจริญสติไม่ดีไงเนะี่ยมันไม่ดีตรงไหนมันผิดตรงไหนถามหนะ่อยแล้วก็มาพูดเถว่าไม่ดีตรงไหนพูดเลยพูดกับคนที่ก็รู้จริงๆเนี่ยแต่ถ้าพูดกับคนรู้ไม่จริงเนี่ยเขหลงแหลกเลยนะก็หลงเชื่ อ, อไปตามนั้นเลยนะจนกระทั่งอาชีพเดี๋ยวนี้อาชีพหลักๆมันค่อยทำกันแล้ว กเกษตรกรรมหาอยู่หากินนะ่นแหลมันรอดปลอดภัยไม่เคยทำกันน ะ, นะอาชีพวาดฝันเป็นอาชีพทะเลาะกั น, นอาชีพนิติศาสตร์อะไรมาดับหนึ่งเลยอาชีพของสารสนเทศต่างๆเป็นดาลงดาราแล้วนะโอ้ไปกันตอนนั้นเลยล่ะน ะ, นะอาชีพหมอพยาบาลก็ น, น้อยลงไปน้อยลงไปทํางานแล้วเครียดกันลาออกไปขายประกันกันอะไรประเภทนี้ยอาชีพสองสามสี่ห้าอาชีพแอมเบ อาชีพสารพัดไดเรกเซลทนะั้งๆเป็นอาชีพที่โอ้มันได้บุญชัดๆเลยมีการกระทำลงไปปฏิบัติทําลงไปรักษาใจลงไปเข้มแข็งเลยได้เงินอีกทางหากนะแต่คนก็ไม่เอากันละเพราะว่าจิตใจมันไม่มีสตินะมันทำงานตามอารมณ์นะพอเขาบอกว่าดีบอกว่าไม่ดีหวั่นไหวไปไม่หลักปักกี้คน พอเราฝึกสติเราจะเห็นเลยมีตัวเราอยู่ใครจะทะไรได้มีความรู้สึกตัวอยู่ใครจะทำะไรได้เจ้าจะมาเข้าทรงงนันใช่ไหมไม่มีทางต่อให้เจ้าแรงขนาดไห น, นเข้าทรงเราไม่ได้หรอกเพราะอะไรนะเพราะเรารู้ตัวเราเนะเราเป็นเราเราเข้าทรงตัวเองเนี่ยให้พุท ธ, ธะให้ความรู้สึกตัวมเข้าทรงตัวเองนะให้มันทรงอยู่ทรงศีลทรงธรรมทรงสติทรงปัญญาเนี่ยมันมีอยู่ นั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวอยู่ะได้มาจากการฝึกน ะ, น ะ, ะดังนั้นการนั่งยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันไวถ้าทําถูกนะถ้าทําไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกนั้นแหละขนาดของ่ายๆอย่างทำอย่างนานท้ายสุดเขาจะยกแม่กั น, นมันก็ชั้นรวยแล้วอย่างเงี้ยชั้นรวยแล้วก็ไปคบเพื่อนกับที่เขารวยทำท่าเหมือนรวยแต่ว่าเรายังไม่มีตังใช้อะไรยังเป็นปัญหานี่สินียสมมติได้ฟังนะ หรือว่าบางทีเนะีเราบอกว่า อ, อรัฐบาลน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นง่้นมวยน่าจะชกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง่วนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ฟุตบอลมันน่าจะเตะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง่วนทำไมไม่แต่งั้นไม่แตะอย่างนี้เราคือทพภาว่าของผู้ที่ไม่ได้ลงไปเล่นเป็นประสบการณ์ตรงเราเป็นผู้ที่ดูอยู่แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอย่าง ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกธรรมะเป็นแล้วหนาที่ว่าสัมผัสลงไปลงมือทําลงไปเรกวกรรมฐานนะา เ, าเมื่อเราลงมือกระทำแล้วเนี่ยมันมีบทเรียนนะรู้กายได้กัรู้อุทนาได้รู้นาได้ก็รู้จิตนะมันอยากไปหาละเอียดนะจนกระทั่งเห็นสภาวธรรมต่างๆนะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลนิวรณธรรมต่างๆนะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เช้ายันมืดนั่นแหละนะ เกิดขึ้นมาทียึบเป็นปัจจุบันเพราะนั้นพระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าการทำจะไหนการทำที่สุดนะแห่งกองทุกข์จะพึงปรากฏชัดแก่เราไดนะ้ในวันที่จะออกสแสวงหาโมฆธรรมในวันที่นะเสด็จออกบวชนะเจอเทวทูตสี่เจอคนแก่เจอคนเจ็บเจอคนตายแล้วก็สมมนณะนะมีคน แก่คนเจ็บคนตายไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดเลยนะเราก็สัมปนะเห็นแล้วก็เออมันเป็นเราด้วยละ่ะมันต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยละ่ะอ้าวถ้างั้นต้องออกรับผิดชอบแล้วอันนี้เป็นกติของชาวพุทธตัวไปนะแต่คติของชาวอินเดียจริงมันมีอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าจช้ชายเสียฐาในที่ออกบทว่าโดนเนลเทศ โดนในลาเทศที่โดนในลาเทศแล้วว่ามีการแย่งน้ํากันที่แม่ น, มน้ํำโลหินีระหว่างเมืองกบิลพัทกับเทวทหะแย่งน้ํากันครั้นี้พระเจ้าเนี่ยงดออกเสียงอยู่เสียงเดียวและเป็นเสียงสุดท้ายซึ่งมันเสมอกันแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าออกเสียงก็รู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะไม่ออกเสียงฉยเฉยเฉียกลยถูกในลาเทศไป อิคติหนึง่งเขาเชื่ออย่างนั้นนะมันจักติเชื่อว่าอะไรก็ตามเถอนะแต่เป็นว่าเจ้าชายทิศาในาได้ออกบวชแล้วก็ออกแสวงหาโมกธรรมจนกรทั่งเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะอาณาปาฏิย์อันนั้นคือความเป็นเองนั่งดูลมหายใจเข้าออกแต่ว่าถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราเชื่อตามประวัติศาสตร์พุทธประวัตินะแล้วทํำไมไม่เชื่อต่อให้ทั้งหมดนะ การเคลื่อนการไหวเอาไว้ว่ามีในหมวดสัมพันยยะประแล้วก็ตัดทีหลังด้วยนะหก็คืออาณาปาติสองก็คือลักษณะของดูนั่งเดินยืนนอนหรือว่าบางบทก็มีลักษณะของอสุภกรรมรฐานแจ้เข้ามาแล้วก็ค่อยสัมพันะปรปะนีรานี้สัมพันยยะปรปะมีการเดินโยกมเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังการเหลียวซ้ายแลขวาการนุ่งสะบง ทรงจีวรต่างๆหรือว่าการคู้เหยียดเคลื่อนไหววิวัยวะการพวกนี้ก็ที่เราทํากันอยู่นี่แหละเคลื่อนเข้ามาเหยียดเข้ามาเหยียดออกไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวการกินการเคี้ยวการเกินการขับถ่ายการหลับการตื่นการพูดการนิ่งให้มีสติมีสัมผัญญารู้สึกตัวแล้วทาไมไม่เชื่อทันทําไมไม่เชื่อในพระไตรปิฎก ทำไม่ไปเชื่อผู้รู้ต่างๆมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นนี้จึงมีการรวบรวมกันหมดแล้ ว, ลวสติปัฏฐานสูตรของใครไปแบบอย่างไรแล้วก็ยอมรับกันด้วยว่าเมื่อให้ผลเป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันอ้อมบ้างตรงบ้างแต่วิธีการแบบนี้หลวงพ่อเทียนประกาศชัดว่ามันเป็นสูตรสําเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งสูตรสาเร็จอึดใจเดียวสั้นๆล้นๆนลยหลวงพ่อเทียนทําอยู่สองวัน หลวงพ่อเขียนทมอยู่ยี่บเอวันรู้เรื่องเนี้ยอาจารย์กำพลทำอยู่หนึ่งเดือนอาจารย์กำพลทองบนนุ่มท่านรประกาศกันชัดนะหลายคนหลายท่านจนกระทั่งมันมีผลต้อง้เกิดการเผยแผ่แต่ตอนหลังมันมีการโต้แย้งกันเยอะท่านก็ร้อยตัว อ, อ, อยากทำอะไรก็ทำไปเด้อแต่ท้ายสุดคนมีปัญญา คนที่ทุกข์จริงๆแล้วก็สแสวงหาทางออกจากทุกข์จริงๆตั้งใจที่จะศึกษาเขาลุ้ว่าคืออะไรเขาล้รู้แล้วไม่พูดพูดสําหรับคนที่ตั้งใจจะฟังตั้งใจขอร้องร้องขอวารนาแบบนั้นมากกว่ามันมีอยู่จริงๆถ้าเรามาร่วงไปสวดกันจะให้ใครมาโกหกเราให้ความรู้สึกตัวหรือว่าท่านปฏิบัติวิธีใดเรามีความสําเร็จแล้วท่านต้องแสดงออกจริงนะว่าไม่โกรธ แล้วมาถึงนั้นถึงเวลานั้นเจอก็สอบเจอโจละอย่าทุกข์นะประเภทรู้แล้วรู้แล้วนะมันจะเจอก็สอบหนักนมีการแก่มีการเจ็บมีการตายพะนัเวลาปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่ามันจะเจอปัญหาเยอะมากเมื่อเราปฏิบัติธรรมนะไม่เคยง่วงกับคูง่วงอย่างโอ้โหพรหาวลานอัศจรรใจมากเลยปกติเราก็ไม่ได้ง่วงกันหน่อยนะแต่ทําไมมา่อยกมือนมันง่วงง่วงง่วงง่วงง่วงง่วงมาจากไหนตรัสรวง ก็เลยบอกว่าดีแล้วนะที่มันง่วงนะียอย่างน้อยๆก็ได้ประโยชน์นะยกมือสิบสี่ชัว่วโมงวันไหนนอนไม่หลับนาะยกมือสิบสี่ชัว่วโเลยนะดีฝ่าซื้อยานอนหลับมากินนะประโยชนนะ์ไม่เสียตังคนะ์ไม่รู้ว่ามันปวดเมื่อยมาจากไหนก็ไม่รู้ปกติก็นั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนนะแต่ทําไมประยกมือสิบสี่ชัว่วโมโอ้โหห้านาทีสี่นทีก็จะตายอยู่แล้วอย่าเงี้ยนะ นั่งจีบกันใบรุ่นจีบกันนะโอ้ยไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนะนั่งคุยกันได้เป็นครึ่งวันก้อนวันนะนั่งดูหนังทําอะไรก็ตามที่เราชอบนะถักเน็ตติ้งหรือว่าทํางานสรร น, นาการต่างๆเรานั่งได้นานเพลิดเพลินไปเลยแต่พอนั่งยกมือนะอันนี้ก็คือทุกมันแสดงให้เราได้รู้จักว่าอย่าบ่นทาบางทุกนั่งเดินย็นนอนมันจะไม่เห็นไม่จะทุกแสดงออกอย่างมีน้ําหนักเลยแหละ จนทางเราโอ๊ยไม่ไหวไหอันนั้นนะคือจุดอ่อนที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็เติมเต็มนะสร้างความเข้มแข็งแข็ ง, แ, ข ง, แ, ขงแกร่งมันก็จะเกิดพัฒนาการขึ้นมาเป็นกันติเป็นตะบะต่อไปอันนี้เราก็จะได้เอาไว้ใช้ในอนาคตการหรือในวันข้างหน้าที่เราต้องเผชิญนะกับการที่นั่งก็อวยลูกก็อยต่างๆตามสั ง, า ง, างขารที่มันแก่ชราภาพนะหมดสภาพนะ เราเอืมเคยฝึกมาแล้วเคยฝึกมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะตอบตัวเองอย่างนั้นทำํำไมเราไม่เหมือนกับว่าต้องเป็นผ่านละนะกับบุคคลหน 1, 2, 3, ึ 1, 2, 3, นะ่งสองสามวันหนึ่งสองสามเราสามารถที่จะรับประคองนะใช้กายของเรานะแล้วก็ดูแลจิตใจของเราเมื่อยามที่นะจะต้องเผชิญนะกับปัญหาต่างๆเรียกว่าธรรมชาติสนะัจธรรมต่างๆการแก่การเจ็บการตายแล้ว ก, การพักผ้าจากของละก็ตาม หว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นครับอกครับใจโดยปกติมจะครับอกครับใจครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแล้วพอถึงวันนั้นนะ่ะชาวพวกตั้งหลายเพิ่งเริ่มต้นแค่ทําฐานหลายคนบางทีไม่เคยฝึกสติกันเลยไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยนั่งสร้างจังหวะไม่เคยนั่งดูลมหายใจวิธีการใดๆที่มีอยู่ในโลกไม่เคยสนใจก็เลยพอวันนึงนะ่ะพ่อตายแม่ตายสามีตายอย่างเงี้ยมาลสะสังฆทานทิ้งสองถังเลยนะ ทุกมากไงทุกน้อยกระถังเดียวทุกมากกะสองถังบางทีกะถังใหญ่เลยเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายฝึกในน้อยเสียในน้อ ย, อยไม่ยอมแต่พอมันทุกมากๆนะโอ้ซื้อของมาใส่วัดจนเป็นขยะเต็มวัดเลยเช่นเคยมีอยู่คนหนึ่งทุกมากเลยผูออย้หญิงคนนี้ขับรถมาจอดปึ๊บหน้าวัด กัมาทํางานอยู่หน้าวัดวันนั้นคิวสังถังสังฆทานมาที่อาตมาเนี่ยนะแล้วก็ถามที่นี่มีพระอยู่ไหมคะ<ม>อาตมาก็เริ่มงงกันนะะมัเห็นเราไปนะ็นอวะเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ก็เลยชี้เออเข้าไปข้างในไปที่ครัวก็เดินเขียวตุปปัดตุปเปะบุเรงบุเรงบุเรงเตงเตงไปที่ครัวถังสังฆทานไปถาม มีพระอยู่ไหมจะมาทำสังฆทานก็ชี้กลับมาที่อนุนว่นไงพระก็ก็ะหิวกลับมาหาพระอย่างนีถามมาทำอะไรมาทาสังฆทานใช่ไก็เลยเรียยเข้าไปนั่งอยู่ข้างในศาลาถัางสังฆทานเนี่ยเป็นถังเหลืองข้างในมีกระดาษอยู่ถ้าเราแกะออกมามีขันคว่ำ มันมีน้ำมีสบู่มีแฟบในรุ่นนั้นยุคนั้นนะนะกินไม่ได้เลยพระฉันไม่ได้เลยมีจินจินมีขิงอ่ะนะน้ำขิงผงอามาชงกับน้ำร้อนอากาศน้อนหนาวเราจะพงชงดื่มปรากฏว่ามันหมดอายุแล้วแล้วก็ซองใหญ่เจนเทว่าวมีซองเดียวเล็กๆอยู่ข้างในซ่อนอยู่บางทีก็มีชา มันมันใช้ไม่ได้เลยหมดอายุแล้วแล้วก็มีผ้าพับไว้เป็นผ้าอาบน้ําฝนวันดีคืนดีนะฝนตกเราก็อยากเอามาใสนะ่ผ้าอาบน้ําฝนนะปรากฏว่าผืนก้นเนี้ยโยมมันจะใส่อาบน้ําได้ไหมเนี่ยมันพับไว้แค่เหลืองๆให้รู้ว่าเป็นผ้าผ้าอย่างเงี้ยนะแล้วชาวพุทธก็ชอบหลงธุรกิจบนแบบนี้กันต้องมีวิจารณ์ในญาณ เพราะนั้นเราทําทานก็คืออภัยทานเนี่ยดีที่สุดนะรู้สึกตัวนําเกิดความโอหิกรรมขึ้นมาแล้วก็ที่สำันคือมันเกิดปัญญานะมันเป็นจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้พูดให้ฟังเอาไว้เป็นแนวทางเฉยๆสำหรับชาวพุทธโดยเว่าชาวพุทธนะ ร, รุ่นใหม่ที่มาตามโครงการนะถ้าไม่ได้บังคับก็ไม่ได้มากันถ้าไม่ได้มีคนการแบบนี้นะมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะหรือว่าคนที่เห็นประโยชน์นะพาเรามาทาหน้าโมทนารนะ เราก็เต็มกันวันนี้หรือเวลาเป็นวันสุดท้ายแล้วสําหรับกลุ่มพยาบาลนะที่เราจะอยู่ทั้งวันที่วัดป่าสุกตัปฏิบัติธรรมแนะนวเคลื่อนไหวสิบจังหวะแลนะ้วเราก็จะเต็มที่นั่นแต่บัดนี้มันเรินะ่มไปดังนั้นขอให้เราได้ใช้นะรูปแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดฝึกหัดตนนะอะไรเกิดขึ้นมากแวกออกผ่านมาที่ความรู้สึกตัวที่ฐานกายไว้ก่อนเด็ดนะเดี่ยว้สุดพอสติมตื่นขึ้นมาจะเห็นรูปเห็นนามนะอาการที่เห็นรูปเห็นนามเนะี่ย อย่าไปจำคนอื่นเข้ามาเลยเราอยู่กับตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันมันจะรู้เองนะสัมผัสรู้ที่ตัวเองจะได้คำตอบแล้วก็ท้ายสุดก็คือคนอื่นตอบก็ไม่ถูกหรอกตัวเองต้องตอบตัวเองเอาตรงนี้ตัวเองเป็นครูสอนตัวเองเอาครูที่ดีที่สุดคือตัวเองสอนตัวเองเพราะฉนั้นก็ขอให้ความปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นและการประพฤติปราจำของเราทั้งหลายนั้นจะเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งของทุกจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งของทุก โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนอั้นเตือน